เพื่อนบิณฑษ์สมณีนนทั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทบริษัทวันนี้ยังเป็นวันที่ยี่ิบสามกระกฎาคมสองพันห้าอยิบเจ็ดเป็นตอนที่ 3, สามสำหรับวันนี้การบันทึกแล้วก็การบันทึกนี้อย่าลืมว่าผมยังอยู่ในการป่วยไข้ไวสบายอยู่มาก ตอนเชา้าหมอไม่ให้น้ำเกลือหมอเขาก็หาว่าผมไม่พักผมก็ต้องทนให้หมอดุถ้าผมก็ไม่พักจริงๆเพราะผมเองไม่ไว้ใจในชีวิตไม่ทราบว่าชีวิตนี้มันจะตายเมื่อไหร่ก่อนจะตายก็เล่าความเป็นมาสู่กันฟังเสรก่อน ว่าประเดี๋ยวเวลาผมตายคนนั่นเขียนประวัติคนนี้เขียนประวัติมันก็อาจจะเขียนไม่เคยถูกไอ้ความกระจุงก็จิงก็จิงจิงเขียนมาก็จะเกิดเป็นการขัดแย้งกันความจริงผมเองผมก็รู้ประวัติผมไม่หมดเชมนกันมันจําไม่ได้ครับเรื่องมานานันนอนมาแล้ว เ, เวลาการผ่านมาถึงเจ็ดสิบปี คงจำอะไรไม่ได้ดีบางอย่างน่าจะจำได้ก็จจาไม่ได้เอาคุยกันต่อไปก็รองความว่าอารมณ์ที่ท่านฝึกได้แล้วขอเตือนไว้นิดหนึ่งยังไงๆแล้วก็หนีนรกกันบรรดาญาโยมผู้ปริษัตก็เช่นเดียวกันมันจะหนีพ้นหรือไม่พ้นก็พยายามพิ่งหนีเข้าไว้กลแล้วกันอันดับแรกอย่าประมาทในชีวิต คิดว่าชีวิตนี้มันจะต้องตายยังไงยังไงเราก็ตายกันแน่ในการที่สองก่อนอย่าตายยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึงเพราะว่าพระพุทธเจา้าทรงตัดว่าคนนึกถึงชื่อท่านอย่างเดียวไม่เคยทำความกุศลอย่างอื่นตายแล้วไปสวรรค์นับไม่ถวนอย่างน้อยที่สุดนับเพึ่งข็สวรรค์ ก, ก่อนก็ยังจะดี ต่อไปไปพรรมปนิพพานนั่นก็ว่ากันทีหลังก็ได้ยศสวรรค์เป็นเป้าหมายไว้ก่อนการที่จะไปสวรรค์ได้จริงจังมั่นคงจะไม่ลงอบายภูมิก็คือทรงสินห้าบริสุทธิ์ <c oughs> สินห้าในจริงๆรงผมคิดว่าควรจะเป็นบวกก็กำมบทสิทธิ์ถ้าเป็นสินห้าจริงๆจะสร้างความประเทินใจแก่บุคนอืน่น การดับหลังตั้งใจไว้เพื่อนิพพานโดยเฉพาะการตั้งใจไว้เพื่อนิพพานนี่ผมเคยถามหลวงพ่อวัดปากน้าประสิเจริญเรีวยกว่าหลวงพ่อสดก็แล้วกันเวลานั้นผมไปหาท่านท่านยังไม่ได้เป็นพระครยูยังไม่ได้เป็นพระเจ้าคุณเมื่อท่านเป็นแล้วท่านก็นบอกว่าเขาหัวโขนมาตั้งให้มาสมให้แต่ฉันจะไม่เต้นไปานาการจังหวะของโขน ฉันจะเต้นตามปกติอุฉันตามเดิมพระองค์นี่น่ารักมากโค้นักถือมากท่า <c> น <oughs> เคยบอกว่าคนอย่าหวังนิพพานผมก็ถามว่าคนอย่างกับผมจะไปนิพพานเขาได้หรือครับท่านก็บอกว่าเราตั้งใจไปก่อนเมื่อคนขึ้นยอดไม้เธอทือนต้นไม้ตั้งใจว่าเราจะขึ้นให้สุดยอด ถ้าบังเอิญเราตั้งใจขึ้นสุดยอดแรงมันไปไม่ถึงมันก็ไม่ต้องไปถึงจริงใดกิ่งหนึง่งเป็นที่พักจนได้เราถ้าเราตั้งใจต่ําดีไม่ดีมันขึ้นไม่ถึงเลยท่านบอกว่าวางนิพพานก็เช่นเดียวกันถ้ากําลังอย่างอ่อนมันก็ไปข้างที่สวรรค์ได้กําลังอย่างกลางไปอย่างกลางแล้วก็ไปข้างที่พรหม ถ้าเราเกิดจิตม่นิยมมนุสโลกถที่มเราประมาโลกที่ ร, ร, ร่างกายไม่นิยมร่างกายในความจริงใจเราก็ไปนิผ่านคติของพ่อสดนี่ดีมากขาวัญดาท่านพุทธบริษัทได้ยา่าโยมน้ายพยายามปฏิบัติทำตามไม่ถอะท่านตัวท่านตายในความดีของท่านยังไม่ตาย <c oughs> ผมยอมรับนับถือองค์นี้ ว่าท่านมีความดีจริงๆวิชาความรู้นี่ผมก็เรียนกับท่านไปเยอะที่นํามาใช้นี่ก็เอากองท่านมาใช้เยอะเหมือนกันว่าท่านก็บอกว่าเป็นของพระพุทธเจ้าทำไผมไม่ใช่ของท่านก็ตีท่านคนคว้าอามาเป็นพระองค์แรกที่ทําให้คนมีความเข้าใจเรื่องสวรรค์นรกไปชัดแจ้งแจ่มใสเรื่องนิพพานด้วยนี่ก็น่าแปลก หงพ่อสดกับผมก็คล้ายคลึอยู่อย่างถูกด่าแหลกเหมือนกันด่าท่านเท่าไรท่านก็ยิ้มต่อเวลาผมก็เลยจำยิ้มเขาท่านมาแต่ก็เขาได้โปรดจะมาด่าต่อหน้าเขาแล้วกันไม่แน่ไม่แน่ใจจะยิ้มออกจะไม่ออกถ้าด่ารับหลังด่าไปเถิดใดไงก็ด่าไปอย่าเข้ามาด่าใกล้ๆด่าไกลๆ ไ, ไม่ได้ยินไม่เป็นไร ท่านดาให้ได้ยินผมประกาศแล้วนี่ว่าผมไม่ใช่พระอรหันต์ผมไม่ใช่พระอนาคามีผมไม่ใช่พระอริยะญญผมไม่ใช่พระประสง์ชานผมมีคติอย่างเดียวบวต้องการนิพพานจะไปได้หรือไม่ได้ก็แฉงจะไปได้ก็ต้องการจะไปยังไม่ได้ก็ต้องการเพราะใจมันต้องการมาตั้งแต่กำหนดเสร็จแล้วก็อยากจะไป ชาตินี้ไปไม่ได้ชาติหน้าก็ไปได้ชาติหน้าไปไม่ได้ชาติโน้นก็ไปได้ก็ที่เวลาเราเกิดมาเพื่อแก่กว่าจะแก่ถึงเจ็ดสิบปีมันใช่เวลานา น, านมากมันก็ยังแก่มาได้ด้วยเรื่องนิพพานถ้าเราไม่ท้อถอยทำไมจะไปไม่ได้ใครรู้หาว่าเราไปยังไงก็ช่างเราปฏิบัติตามร พ, าาพระพุทธเจ้าก็แล้วกันเพราะพทะเจ้าสอนคนในทุกคนไปนิพพาน แล้วก็ต้องการปฏิพันธ์อย่างพุทธเจ้าท่านบอกธรรทวัฒธรรมของท่านให้เลือกปฏิบัติที่เห็นว่าควรปฏิบัติไม่ใช่ยกว่าทัศก บ, บิไม่ใช่นมเสยเเื่มใหญ่มาก็ทำอย่างนั้นทุกท่อยคำไม่ไม่มีผลแล้วขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและเพื่อนรปโสสมันเลนจงอย่าทำตนเป็นเป็นเถ น, นไมลานเปล่า คือไปที่ไหนก็คุยฉันเรียนจบเป็่องนัง้นฉัเรียนทึ่งนี่ฉันเรียนทึงโน้นไอ้แค่เรียนนี่ยมันไม่มีผลหรอกมันต้องปฏิบัติก็คนที่เขาไม่เรียนเลยเขาปฏิปนิพนธ์ได้แต่งเยอะอย่างสมัยพระพุทธเจ้าตาสีตาสามาจากไหนก็ไม่รู้ไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยแม้แต่พระพุทธเจ้าฟังเทศจบเดียวเขามีความเข้าใจบรรลุมรคลเป็นพระอาหารหันต์ พร้อมปริสมิทายานแล้วตอนนี้ความรู้พุทธศาสนาทุกอย่างเขาเข้าใจหมดนี่ความรู้จริงๆมันมาจากผลการปฏิบัติไม่ใช่การเรียนหนังสือโดยเฉพาะ <c oughs> ที่เรียนหนังสือโดยเฉพาะประกาศตนว่าเป็นผู้นำความดีไปให้แบกความดีไปให้แต่ในที่สุดตัวเองเละเทะเลือกไม่ไหวรับไม่ท้วน ก็ลงความว่าอย่าประมาทคนที่เ็เรียนรู้มากเข้าดีก็มีเขาปฏิบัติจริงก็มีคนที่เรียนรู้มากไม่เอาไหนก็มีคนที่เรียนรู้น้อยมีความปฏิบัติจริงเขาถึงขั้นสูงสุดก็มีคนที่ไม่เรียนรู้อะไรเลยลกเข้ามาปฏิบัติเฉยๆได้ผลสูงสุดก็มีก็ลงความความดีหรือความชั่วมันอยู่ที่ตัวปฏิบัติ ฉะนั้นขอบรรดาทั้งบริษัทถ้าเรายังไม่ตายก็จงใหญ่ช่วยกันทาบ้านเมืองให้วุ่นวาย <c oughs> ช่วยกันทาบ้านเมืองให้แบบมีแต่ความสุขคนหนึ่งคิดว่าชีวิตนี้มันต้องตายก่อนจะตายจากความเป็นคนเราต้องเป็นคนดีตายเป็นผีจะได้เป็นผีดี <c oughs> เป็นผีเทวดาเป็นผีพรหมและเป็นผีนิพัน์ หลังจากนั้นยึดความดความดีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วก็ปฏิบัติตนหนึ่งไม่ใจร้ายมีใจเมตตาปราณีไม่ฆ่าใครไม่ทำร้ายใคร <c oughs> ไม่ลักไม่กะโมยไม่ยิ่ยงงไม่คดโกงทรัพย์สมบัติของใครไม่แย่งคนรักของใครสื่อสัตว์สุจริตต่คู่ครองที่ด้านกาย ด้านวาจาไม่พูดความไม่จริงพูดแต่วาจารจริงไม่พูดคำหยาพูดแต่วาจาไพเราะไม่พูดยโหยก ย, กยกสงส่งเสริมเขาแตกเล่ากันหรือไม่นินทาเขาพูดแต่วาจาสร้างสายความสามคัคคีไม่พูดวาจาที่ไร้ประโยชน์วาจาใดาที่เป็นประโยชน์ต่อการเราสองฝ่ายเราพูด แล้วก็ไม่เดื่มสุรามีไรกำลังด้านใจไม่คิดจะลักขโมยอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครใจไม่คิดเลยไม่คิดจะมีค่าเก่งค่าประหาประหารใครทําความเห็นให้ถูกว่าอันใดสิ่งใดเป็นประจัยของความสุขกับเรารับกับเพื่อนรวมโลกเราจะทำอย่างนั้นแค่นี้บ้านเมืองจะมีความสุข ไม่ต้องไปเนือการที่รักษาพุทธศาสนาเวลานี้มีข่าวโครงครามโครงครามก็บอกว่าจะกลัวฟิสเซตเตียนจะมาแย่งดินแดนพุทธศาสนาไปกลัวว่าจะแย่งคนไปไม่ต้องกลัวกลัวทําไมคนของเราเราดีเข้าไปไม่ได้แต่เราจะกลายเป็นโจรปล้นตัวเองก็แล้วกัน ใ น, นก็หมมยความผมเห็นว่าวิชาความรู้ที่ระสอนพวกคริสเขาก็มาเรียนกันเยอะพิพิสลามก็มาเรียนกันเยอะและก็ท่าของเขาไม่มีของเรามีถ้าบรรดาเพื่อนบิณฑุสมเนนทั้งหลายแต่ผมนัไม่สามารถนะผมก็ได้แต่ความรู้เป็ดๆแค่นี้แหละความสามารถยิ่งใหญ่จริงจังเขาผมไม่มี ถ้าทุกคนใช้หลักสวดคัมภีชาสามและวิญญาหกมาใช้เป็นปกติสมบพระคารวนะเนี่ยผมไม่ไปพูดเกี่ยวเข็นแบบนั้นหรอกพระก็ม่ได้เกี่ยวเข็นแต่พูดตามความเป็นจริงเพราะถ้าเราจะอนุรักษ์พระพุทธศาสนาให้พระพุทธศาสนาคงอยู่จริงๆพุทธศาสนาจะคงอยู่ได้เพราะความเื่อมใสของคน เพราะชาวบ้านชาวเมืองมีความเข้าใจในพระพุทธศาสนามีความเรื่มใสในพระสงฆ์พิสุสวรรณาในพระพุทธศาสนามีความเข้าใจแล้วตายแล้ ว, ลวเกิดหรือไม่เกิดศูญหรือไม่ศูนย์นรกมีจริงไหมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสนรกมีจริงเราอย่าฝืนท่านหาทางแนะ น, นำญาติโยมพูทธกข์สัทให้เห็นนรกสวรรค์เปรตสกายเห็นสิ่งต่างๆได้ดึก ทิประจุกุยานในหลักสูตรวิชาสามให้เข้าใจว่าตายแล้วไม่สูญด้วยกำลังเขปุกเพ็นวาสารุญยานคือระลึกชาติแค่นี้แหละขอรับเพื่อนบิสุสมณเณรพระพุทธศาสนาไม่ไปไหนท่านเยน้ว่าท่านที่สอนเวลานี้นักเจริญกับสำนักกรรมฐานเยอะทุกแห่งเต็มด้วยความเจริญรุ่งเรือง แม้จะอยู่ในป่าในเขาก็ร้องเรืองเพราะว่าบรรดาญาโยมพระบริษัทมีความเข้าใจตามความเป็นจริงเห็นจริงเห็นจังตามคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ท่านคนนั้นเป็จของถิ่นเป็นเจออ้าของสานักท่านมีความรู้ความสามารถในการแนะนํำฉะนั้นคนจะไปหาท่านมาก ถ้าบรรดาพระสงฆ์ทุกท่านที่ท่านบอกว่าท่านจะช่วยการรักษาพุทธศาสนาให้ทรงอยู่ไม่มีใครไปแย่งคนไปจากพุทธศาสนาได้ก็ไม่ต้องไปทะเลาะ ก, กับเขาเพียงเอาหลักสูตวิชาสามนัาพิญญาหกไม่ใช้พอแล้วล้วนแลแม้แต่แค่ออความรู้เป็ด อย่างผมได้มากรุงก็จริงจะเป็นวิชาสามจริงก็ไม่ใช่จะเป็นอวิญญาก็ไม่ใช่อาอวิญญาไม่ใช่แน่แต่การเตรียมตัวอวิญญาอาจจะมีบ้างมีก็ไปสะเก็สเจษเลยเลยถงอยังงั้นการไปอเมริกาปีที่สองคือปีพอ .2527 ฝรั่งมาปฏิบัติทำได้กันเยอะคองแคล่วมาก ทันนี้ก็ต้องขอบใจดเตอร์ปัญญาโนตาร์ไหลเป็นคนสอนกับคุณวีรัตเพื่อพระวีรัติวัทนสุงเองเคยอยู่อเมริกามาหลายปีเป็นคนสอนเขาพูดภาษาฝรั่งได้ไอผมนั่นไม่ได้สักคำภาษาฝรั่งจริงเขาก็ไม่เรียกว่าเจี๊ยะแต่เจี๊ยเะเขาเรียกได้ไม่รู้เขาพูดยังไงแล้วกินไม่ถูกก็ต้องใช้ภาษาใบากัน เนี่ย เ, เพราะหลังฝรั่งมันฆ่าก็ได้กันเยอะแยะคล่องตัวเขาสอนงั้แค่สิบนาทีแล้วรึกชาติได้ทันทีเนี่ยดับเพอ่อปัญญานุาตาไหลเธอยังมีชีวิตอยู่ใครสงสัยก็ไปคุยกับเธอก็แล้วกันเธอเป็นคนสอนถ้าเรื่องการรู้อะไรต่ออะไรเราพิสูจน์กันแล้วฝรั่งคนนั้นไม่รู้เรื่องถามแล้วก็ตอบถูกหมด อ, อสิ่งที่ถูกไม่ใช่ถูกเฉพาะสิ่งที่เรามองไม่เห็นคือชาติก่อนเขาก็ชาตินี้ชาตินี้เวลานี้อะไรอยู่ที่ไหนเธอตอบได้ทันทีอันนี้เป็นเครืไปสูจนขึ้นความรู้ <c oughs> แต่ความรู้นี่จ ย, ยืนยงคงทนได้นานไม่นานเพียงใดก็ขึ้นกับกำลังใจของเธอสาหรับผมเองผมก็มายืนยันเหมือนกันจะเผลอลุน้นแล้วล้น ก, ก็เปล่าก็ไม่ทรา วันนี้ช่วยไปนะเวลาหมดไปเกือบยี่สิบนาทีนี่หมดไปสิบเจ็ดนาทีแล้วก็เลยจะขอบ่ายทิย์เป็นบ้าสุดท้ายสำหรับหนังสือเล่มนี้อันนี้ให้เขาทำเป็นหนังสือด้วยนะแต่หนังสือนี่ะทําทำเล่มใหญ่โตอย่าบันทึกเป็นเสียงไม่เล่มละสิบคัดเซ่น ถ้าจบสิบคันเสร็จถือว่าหมดเรื่องกันทีเป็นเล่มหนึ่งเล่มแต่ยังไม่จบมันจะมีเรื่อยๆไปยิ่งกว่าผมจะเล่าเรื่องไปตั้งถึงตอนทม่ผมเกิดนอนถอยหลังลงไปแล้วก็ยังย า, ยาวต่อไปว่าหลังจากที่บันทึกก็ทำหนังสือนี้แล้วได้พบอะไรบ้างจะว่าต่อไปอีกถ้ามีแรงเทนนี้ไม่แน่ ผมไม่ยินยันเหมือนกันเพราะเวลานี้ผมพูดพุ่นอนพูดนะมันจะพูดไปได้เท่าไหร่ก็ไม่ทราบก็ขอบ้าต่อไปเหลือเ ว, วลาสิบนาทีเศษเศษสินาทีบ้าอีกสักคัสเซต์หนึ่งคัสเซตนี้ก็เ ข, ข้าไปคออนนาแหละคือว่าขอบ้าเรื่องแผ่นดินไหว ไอ้คำว่าแผ่นดินไหวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องพูดกันสั้นๆกิดความจริงต้นเหตุเห่เ่นดินไหวว่าเป็นดินไหวเพราะอะไรเมื่อปีพศ .2526 เดินพะสะภาคมอาสัยที่ลูกิษยุกหาลูกหลานที่จังหวัดอเมริกะออขอโทษรอจังหวัดเขาแล้วที่ประเทศอเมริกา <c oughs> เธอเดินทางมาศึกษาพระกรรมาฐานที่ประเทศไทยบ้างที่ยังไม่มาก็รับเทศบ้างหนังสือบ้างไปฝึกกันกำลังศรัทธาของเธอดีมากผมรับเงินของเธอทีไรกำลังใจก็เต้นตึกๆึกทุกทีทั้ทงนี้เพราะอะไรเพราะทราบว่าทุกคนที่ไปประเทศอเมริกาต้องการจะหาเงินห้าทองมาสร้างตัว แต่ถ้าว่าในเมื่อเธอต้องทำบุญก็ต้องเชือดเนื้อเถือนหนังของเธอเลือดออกโชคสมมติเอาเอามาทำบุญก็เกรงว่าเธอจะลาบากแต่ว่าทุกคนก็พร้อมบอกยอมรับก็ตั้งใจทำบุญจริงก็ดีใจยิงเี่าเตือนว่าการทำบุญนะทำแต่โอควรอย่าให้หนักเกินไปจะเดือดร้อนภายหลัง ต่อมาเธอขอรัตนาไปอเมริกาใช้เวลาสามปีผมก็มันไม่ค่อยสบาย ต, ตัดสินใจว่าสองพันห้าร้อยี่ิหกมาไปแน่ตอนนั้นก็ยกขยงกันไปประมาณยี่สิบปคนอย่างน้อยก็ยังน้อยก็สองพันห้ารอยยี่ิเจ็ดนี่จะได้ยกขยงไปสี่สิบสามคน ที่ไปไม่ได้เที่ยวกันะโอกาสจะเที่ยวไม่มีไปมุ่งอย่างเดียวคือธรรมะ <c oughs> เรวมความผมตั้งใจเป็ดไปปล่อยที่อเมริกาเป็ดคือผมคือความรู้เป็ดๆนี้เอาไปปล่อยที่ประเทศอเมริกาการไปปีที่แล้วทัวเขาจัดให้ทัวจัด <c oughs> เขาก็ไปแวะห้องกงเออผ้าทษเขาก็ไปแวะ ฮาวายก่อน <c oughs> นั่งเครื่องไปฮาวายนี่ไม่รู้ว่มันมืดมเมืเ่อไร่เอาจากจากไทเปคัมไปเสืงคโปก่อนเอาจากถึงเสิงโปเปลี่ยเครื่องก็ไปไทเปไทเปเริ่มคัมไฟฟ้าเสลั ส, ะสะลัวเอาจาจากไทเปมุ่งหน้าตรงไปฮาวาย <c oughs> เครื่องบินไปได้หน่อยเดียวเวลาหยิบนากาขึ้นมาตีสองของประเทศไทยเห็นแสงสว่างมันสอดมาข้างๆเครื่องบินเข้าอะไรกันแน่ลองเปิดหนะ้ตาต่างดูแสงพระอาทิตย์ตายจริงนี่มันสว่างนัวว่นดีสองแต่เดียวๆ เ, เขาอาหารมาเสิร์ฟก็ต้องกินก็ต้องใช้เวลาที่มันสว่างที่ไหนกินที่ไหนเขาเรื่องมาอะไรกินที่นั่น จะไปถือว่ายัางตีสองกินยังไงพระพุทธเจ้ามันจะบอกตีสองพระพุทธเจ้าบอกแสงอาทิตย์ขึ้นอารมณ์ที่สองขึ้นแล้วก็กินได้ดีวแสงอาทิตย์สว่างเจ้าไม่จะตีสองเป็นที่ทลายกระไม้สาบก็กินได้พอไปถึงฮาวายขอเหล้าลัดหลัดเขานําไปพักที่พักที่พักก็สบายมีเป็นหน้าที่เขาโทจะพ า, ทาเที่ยวนอนเที่ยวนี้ วันแรกไปถึงก็งงกันไปหมดคนอื่นงงแล้วไม่งงก็ไม่ทราบไอ้กลางคืนมันเริ่มเป็นกลางวันกลางวันเริ่มเป็นกลางคืนชาวใจยุ่งกันใหญ่เพราะก็นั่งนั่งเสร่มกัลลูอยู่ในห้องพักแต่คนเดียวตอนเย็นด็กเตอร์ปัญานุต่าไหลเธอก็ไปเช่ารถรถเก๋งจะมีเช่าเขาวิ่งเที่ยวเธอถามรลงพ่อไปไหมเขาก็บอกว่าไป ไปไม่รู้ไปไหนให้พลงวิ่งคึกคึบคึกึกไอฮาวายอากาศมันดีก็านาดเที่ยนนั่งไปก็ถามดรปริญญาว่าเออนี่มันยังไงกันแน่ก <c oughs> ารยื่มาคราวนี้เขาช่วยค่าเครือบินเธอเธอก็ไม่รับมาเลยคืนในความจริงไม่ใช่สตังของผมระตังเขงญาญาติโยงเพราะดรปริญญาในเธอเคยเรียนที่อเมริกา คล่องในประเทศเมกามากก็ต้องหาคนของคล่องไปแล้วก็ได้ประโยชน์ใหญ่จากเธอจริงๆประโยชน์ใหญ่มากการเดินทางก็ดีการพักผ่อนก็อร่อทั้งหมดเป็นภาระกอเธอดีจริงๆแม้จะติดต่อการเดินทางไปไหนก็ตามรู้สึกว่าเธอคล่องแต่ทุกคนก็ดีแตทุกคนเนี่ยเขาไม่ชินก็ไม่ชินจริงๆก็คุณวิรัต อีกคนหนึ่งเพิง่งกลับมาจากอเมริกาเราจะนัยงก็ยอมมียอมปริปรุง อ, อะไรเสรนีก็ไมาา่ทราบนี่เป็นตรงกะเซรานีอันนี้เคยเป็นกงสนไทยไประจำฮ่องกงก็เข้าใจในภาษาต่างประเทศได้ดีก็รงความต้องเติปริยาเทปีความคล่องตัวมากเธอก็าพาไปเทีย่ยว นั่งไปก็ถามว่าเขาให้สตางค่าเครืงบินทําไมจะไม่รับเธอก็บอกผมจะไม่ต้องรับแต่ครับหลวงพ่อแล้วก่อนหลวงพ่อจะมาเนี่ยฝรั่งมันจ้างผมให้ค้นฟ้าเหตุผลพื้นดินไหวมันมันมาจะเหตุอะไรจะาธรรมชาติ <c oughs> ไอ้ธรรมชาติทํายังไงพื้นดินจึงไหว <c oughs> ก็ถามเธอว่าความจริงนี้ผมก็ไม่รู้จริงๆเหมือนกัน เรื่องแผ่นดินไหวพระเจ้าจัดไว้แปดอย่างได้ ก, ก่อนคือธรรมชาติแต่มันมีอยู่แต่ธรรมชาติมันทํายังไงแผ่ดินจึไหวอย่าลืมว่าแผ่นดินนั้นไม่ใช่กระต๊อบนะครับกระต๊อบลมพัดมาไหวได้แผ่นดินมันใหญ่มันหนักเหลือเกินมันไหวเพราะอะไรปุ้ยก็บอกว่าเหตุจริงๆมันเป็นอย่างนี้ครับแต่ว่าข้อมูลละเอียดจะไม่สราบ คือว่าแผ่นดินเนี่ยมันมีการแยกตัวเป็นร่องภายในแล้วก็มีลมเกิดชื้นเป่นดินไหวก็พูดกันในน้อยตอนนี้ไม่ทำอะไรอีก <c oughs> ต่อไปก็คุยเรื่องอื่นไปผมก็ไม่ติดใจเรื่องแผ่นดินไหวมืรู้ไปแล้วก็แข่นั้นรู้ไปแล้วผมจะไม่แก่เขก็แก่ทุกวันรู้แล้วผมจะไม่ตายแลวผมก็ตา ย, ผ ม, ตายผมก็ต้องห่วงผม โคว่ากำลังใจของผมดีและเร็วขนาดไหนไม่ยาไปนรกก็ไปสวรรค์กันแน่แค่นี้เองที่ห่วงจริงๆห่วงตัวเองหลังจากการเที่ยวแล้วก็ค่ำหน่อยก็กลับยังชอบฮาวายว่าเขามีภูเขาเป็นที่อาศัยบ้านกับโลกไม้ก็คือไบฟ้าสว่างเพริบสวยงามมากแล้วหมักจใจนิดว่าไอ้คนบนยอดเขาไปกินน้ำที่ไหน ในโรุงเทบเราอยู่พื้นดินดแท้ๆน้ํายังไม่ค่อยจะมีกินไ ม, ไม่สะดวกแต่นั่นที่ฮาวายไปเกิดไปตั้งบ้านยอเขาแกจะต้องกินลมยังไงอันนี้ผมไม่ทราบแต่เข้าใจว่าฝรั่งเขาไม่กินลมเขาต้องกินน้ําเป็น น, นว่าเรื่องนี้ไม่ต้องคิดกลับมาที่ที่พักเห็นในห้องก็มีโทรทัศนมองดูรายการหรือไม่รายการขา่าว ก็เราเปิดโทรทัศน์ดูผมไม่รู้ว่าสาวฝรั่งแบบเขาผมเห็นภาพก็นั่งเดาเล่นโกโก้มันเพลินดีพอจบข่าวก็ปิดพอลูกตาผมเวลานี่มันเสียจะและ้วถ้าดูเราคนละครมันมองไม่เคยเห็นมันเห็นชัดแต่ข่าวเท่านั้นเองแต่ข่าวนี่เห็นชัดจริงๆก็รวมความว่ามาถึงการเวลา จะนนอนพ้นนอนลงไปตามปกติของพระเวลายันนอนทำยังไงก็ทราบกันอยู่แล้วยังไม่นอนเน้นนอนก็มีคติคล้ายคลึงกันนั่นก็คือทำจิตให้เป็นสุขก่อนพอนอนจับอนาปานุสติเริ่มจับลมปื้อเดี๋ยวให้ใจเข้าไม่ทันให้ใจออก เห็นภาพพระพุทธเจ้าธรรมจีนเป็นงานใกล้ใกล้เขานาสวยงามมากในภาพทรงแยมพระโอษฐ์อันนี้ใครอยาหาผมบ้าภาพก็ตามใจพระพุทธเจ้าเป็นภาพพระเจ้ามันชอบบ้าทามบ่ายพระเจ้าผมอยากบาทตลอดทุกวินาทีของชีวิตที่ผ่านที่ทรงอยู่แล้วก็ดีนเสียงท่านถาม ว่าเธอสองสัยเรื่องแผ่นดินไหวหรือก็กราบทูลให้ทรงทราบว่าสงสัยพระพุทธเจ้าข่าถ้าบอกว่าสงสัยทำไมจึงจไม่ถามก็ต่อกทางว่าเห็นว่ามันเป็นเรื่องของโลกไม่เป็นสาระม่เป็นการสารที่จะทำก็ไม่กล้าถามและก็ไม่กล้าจะยุ่งเแปลว่าจิตใจวุ่นวาย <c oughs> แต่ก็บอกไม่เป็นไรมันเป็นสาระไม่ใช่ไรสาระ ท่านไม่ได้บอกท่านบอกอาถ้าอยากจะรู้ก็าตามฉันมาตอนนี้นในเรื่องแวบเดียวลงไปใต้ดินเลยปเปราะฉน้ดินมันเป็นร่องใหญ่โอ้โหจะว่าไปไม่น้ำนี่ไม่ใช่แล้วบางจุดมันกว้างแบบทะเลน้อยๆห้ทะเลใหญ่ๆเขากว้ า, วางเอาเท่าไหร่ก็ไม่รู้คือส่วนที่กว้างที่ห่างจริงๆมันเป็นใหม่ๆ บางทีถึงเจ็ดไม่ก็มีกว่าก็มีกว้างมันก็เป็น ล, อล่องลึกเลยไปผมก็ตามในในความรู้สึกว่าตามท่านไปเรื่อยเป็นรอบโลกไอ้รอยแตกข้ามดินนี่มันรอบโลกจริงๆไหนก็ในรอยแตกข้ามดินนี่มองดูพันดินข้างใต้มันเหมือนกับดินผสมน้าเป็นโคลอนอยู่มันเดือดปดปด ปดปวดปวดก็เลยบอกว่าพันดินจริงๆข้างล่างมันแตกแตกแยกกันอย่างนี้ร่องมันใหญ่มากแ้วความเป็นพันดินไหวสือจะเหตุนี้เน้นนักเตปัญญาเธอพูดว่าเท่านี้ผมก็ทิ้งเทาง่านี้เมื่อทิ้งเทาง่านี้มันก็เป็นพอดีกลับถ้ากลับจากวันนั้นวันนี้ก็ลองไปเหมือนกันท้านี้พอเพราะเวลา สัญญาณสองเครื่องบอกเวลาปรากฏวันเลิกเถอะเขาต้องขอลาก่นและฟังบัณฑ์การคดเสหน้าขอความสุขสวารพิพัฒนามงคลสมนูนพุ่ผลจงมีเดียบรรดาเทพุทธสาวนิกชนเรอพอนพิสุขสมเนินผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี